ตอนที่หนึ่ง้แปดสดเขาเตรียมจะเสี้ยมให้แตกกันงั้นหรือขณะที่กําลังพูดคุยกันเหวินโมก็รีบตามมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกเราเร่งรีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมาคุยกันเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกหัวเหลืองนั่นเหมือนกําลังประเมินสถานการณ์ทางฝั่งเราอยู่หากพวกมันเห็นว่าฝั่งนี้ไม่มีคนอยู่มากนักเกรงว่าคงจะย้อนกลับมาอีกดังนั้นควรห น, นีไปให้พ้นก่อนค่อยว่ากันหลหวานตอบรับในลำอืมคำหนึก่อนจะส่งสายตาเป็นสัญญาณให้เหวินเยียนเยียนตามมา หยวนเย็ยนเย็ยนเองก็เริ่มรู้ตัวว่าตกอยู่ในอันตรายจึงยอมเดินตามพวกเขาไปเงียบๆครู่หนึ่งเอ๊ะนี่เธอถึงขั้นกล้าแอบพี่ชายฉันออกมาดูหนังกับผู้ชายคนอื่นเลยเหรอเอาแบบนี้ไหมระตรับใดที่เธอไม่เอาเรื่องเมื่อกี้ไปบอกพี่ชายฉันฉันก็จะไม่บอกเรื่องของพวกเธอสองคนให้พี่ชายฉันรู้เหมือนกันหยวนเย็ยนเย็ยนพูดด้วยท่าทางที่คิดว่าตัวเองฉลาดเป็นไงเออฉันออกมาดูหนังกับเพื่อนร่วมชั้นนะเพียงแต่พวกเขาเดินไปข้างหน้าแล้วเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงทางฝั่งเธอผิดปกติเลยยังไม่ไปไหน หลีวันรู้สึกระอใจเหลือเกินนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นน้องสาวแสนดีที่เข้าข้างคนนอกมากกว่าพี่ชายตัวเองแบบนี้สิ่งที่หยวนเยน็นเยยนพูดมาเธอไม่ได้สนใจเลยสักนิดฉันไม่บอกเรื่องเมื่อกี้กับพี่ชายเธอได้แต่เธอต้องรับปากฉันว่าต่อไปตอนกลางคืนห้ามออกมาข้างนอกอีกถ้าจะออกมาต้องมีคนตามมาด้วย ลีหวานไม่ใช่คนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไรที่ทำไปก็เพราะหยวนเหยียนเยียนเป็นน้องสาวแท้ๆของหยวนเศร้าเหิงหักเธอเป็นอะไรไปจริงๆเขาคงจะเสียใจมากเธอยังไม่ทันจะแต่งเข้าบ้านเลยก็เริ่มมาบงการฉันแล้วเหรอหยวนเยียนเยียนไม่ยอมแพ้ฉันไม่ได้บงการเธอฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีไม่จําเป็นต้องให้เธอเตือนฉันรู้ว่าควรทํายังไงหยวนเยียนเยียนโบกมืออย่างรําคาญฉันบอกแล้วไงว่าเรื่องเมื่อกี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุ อีกอย่างฉันออกมาแบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เจอเรื่องแบบนี้เธออย่ามายุ่งเรื่องของฉันหน่อยเลยเสียหวานก็แค่เตือนเธอด้วยความหวังดีส่วนจะฟังหรือไม่นั่นก็เรื่องของเธอเหวินโม่ที่ยืนฟังอยู่ข้างๆทนไม่ไหวหยวนเย็นเย็ย น, เยยนนี่ช่างได้มีมารยาทเอาเสียเลยเหลือเชื่อจริงๆว่าเธอจะเป็นน้องสาวแท้ๆของหยวนเศร้าหึงสองคนนี้มีตรงไหนที่เหมือนพี่น้องกันบ้างที่ชายฉลาดหลักแหลมแต่น้องสาวกลับดูเหมือนสมองมีปัญหาหยวนเย็ยนเย็ย น, ยยนโกรธจัดสวนกลับทันควัน หลี่หวานไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันที่นี่ส่วนนา ย, ยิ่งไม่มีสิทธิ์เข้าไปใหญ่เหวินโม่สูดหายใจลึกเธอเข้าใจให้ถูกนะฉันไม่ได้จะสั่งสอนเธอฉันแค่พูดแทนเสี่ยหวานที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีเมื่อกี้ถ้าเธอไม่ช่วยเธอพวกเธอสองคนคืนนี้ไม่มีทางจบสวยแน่สําหรับผู้หญิงแล้วชื่อเสียงสําคัญที่สุดถ้าพวกเธอเสียชื่อเสียงไปต่อไปจะหาครอบครัวดีๆแต่งงานด้วยก็ยากแล้วเยนีเยนเย็นช่างเถอะวันนี้ดึกมากแล้วพวกเรากลับไปก่อนดีกว่า ลีเลื่อมมือไปดึงแขนเสื้อหยวนเย็ยนเย็นเบาๆเธอยังไม่หายขวัญเสียจากเหตุการณ์เมื่อครูหัวใจยังเต้นระรวยอยู่เลยก็ได้ฉันเห็นว่าข้างหน้าอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านเธอแล้วเธอเดินกลับเองแล้วกันหยวนเย็ยนเย็นพยักหน้าก่อนจะหันมาทะเลาะกับเหวินโม่ต่ออย่าคิดว่าฉันดูไม่ออกนะว่านายชอบที่นี่นายคิดจะตีท้ายยครัวพี่ชายฉันใช่ไหมใช่ครั้งนี้เหวินโม่ยอมรับอย่างผ่าเผย ฉันอยากจะตีท้ายครัวจริงๆนั่นแหละแต่ประเด็นสําคัญคือเสียวหวานไม่ให้โอกาสฉันเลยฉันงัดยังไงก็ไม่ขยับเวนโม่พูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายมุมปากประดับรอยยิ้มขื่นจางๆเสียวหวานลองให้โอกาสหน่อยไม่ได้เหรอเวนโม่ลิวหวานเห็นว่าจนป่านนี้ใครยงจะมาล้อเล่นอีกก็รู้สึกจนใจหักพวกเขายังไม่รีบปรับหอพักโรงเรียนคงจะปิดประตูเสียก่อนเย็นเย น, ยยนพวกเราจะไปส่งเธอให้ถึงที่ก่อนแล้วค่อยกลับโรงเรียน กลางค่ากลางคืนจะปล่อยให้เธอเดินกลับคนเดียวคงไม่ได้เด็กสาวเมื่อครูบ้านอยู่ใกล้แต่หยวนเยียนเยียนบ้านอยู่ไกลกว่าไม่ต้องที่บ้านจัดคนขับรถตามฉันมาน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละหยวนเยียนเยียนขมวดคิ้วมุนพางกำชับหลี่หวานซ้ำแล้วซ้ำแล้วว่าห้ามพูดเรื่องคืนนี้ออกไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอไม่ยอมจบง่ายๆแนะ่เหวินโม่ไร้เดียงสาชะมัดหลี่หวานยิ่งไม่เก็บคำครูของเธอมาใส่ใจคำพูดที่พ่นออกมานั้นช่างดูเด็กน้อยจริงๆ ยวนเย็ยนเ ย, ยนหาคนขับรถเจอหลีหวันมองส่งเธอขึ้นรถไปจากนั้นจึงค่อยเดินกลับโรงเรียนพร้อมกับเวินโม่ยุนเย็ยนเย็ยนนั่งอยู่ในรถมองแผ่นหลังของทั้งสองคนที่เดินคู่กันไปพลางเหมือลอยการผ่าตัดของโจเสี่ยวไปประสบความสําเร็จแต่การฟื้นฟูร่างกายหลังจากนี้ยังต้องใช้เงินอีกมากโจเจียนเย่ A จึงอย่างรั้งอยู่ในเมืองเพื่อทํางานหาเงินและดูแลลูกสาวไปพร้อมกันหลีหวันไม่ได้เจอเขามาพักหนึ่งแล้วเมื่อได้พบกันอีกครั้งโจเจียนเยี่ดูซูผ้ผอมและผิวคล้ำลงไปมาก หมอบอกว่าอาการของเสี่ยวไผ่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่หลังจากนี้ควรจะกินยาต่อยาแผนปัจจุบันพวกเราสู้ราคาไม่ไหวเธอช่วยจัดยาสมุนไพรจีนให้ฉันหน่อยได้ไหมโจจี้นี้เอ๋ย ơi, ฉันจะได้เอากลับไปได้ลิวานเขียนไปสั่งยาให้เขายาสมุนไพรจีนต้องกินติดต่อกันเป็นเวลานานถ้าขาดช่วงไปจะไม่ดีต่อร่างกายถึงตอนนี้การผ่าตัดจะสําเร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอื่นตามมาไหมคุณควรจะคอยสังเกตอาการให้ดีแม่ของเธอ ตอนนี้สบายดีไหมโจเจี้ยนเย่จ้องมองหลี่หวานแล้วจู่ๆก็พร่องถามขึ้นดีสิคะแน่นอนว่าต้องดีอยู่แล้วตั้งแต่ใหญกับคุณชีวิตของพวกเราแม่ลูกก็ดีขึ้นทุกวนันหลี่หว่านตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบตอนนี้สิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือการที่ไม่ได้ให้แม่ใหญกับคุณให้เร็วกว่านี้ไม่อย่างนั้นตอนนี้พวกเราคงมีความสุขยิ่งกว่าเดิมงั้นงั้นเหรอโจเจี้ยนเย่พยักหน้าเบาๆพลางคุ่นคิดพวกเธออยู่กันได้อย่างมีความสุขก็ดีแล้ว ฉันจะได้เบาใจฉันทําผิดต่อพวกเธอสิ่งเดียวที่หวังได้ในตอนนี้คือขอให้พวกเธอมีชีวิตที่ดีคุณปู่ของเธอเสียไปแล้วตอนนี้คุณย่าของเธอก็ตาบอดทั้งในบ้านนอกบ้านฉันต้องเป็นคนดูแลคนเดียวเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดเลยว่าการดูแลพ่อแม่จะเหนื่อยขนาดนี้ตอนนี้ฉันเพิ่งจะมารู้สึกว่าเมื่อก่อนแม่ของเธอช่างลำบากจริงๆหนิวซูเฟินต่อให้ตาบอดก็ไม่ได้ทําให้ความไร้ากาศลดน้อยลงเลย วันๆเอาแต่หาเรื่องไม่หยุดหย่อนแถมยังคอยยุยงให้โจชุนหงรังแกเคอเคออีกด้วยสรุปคือที่บ้านวุ่นวายไปหมดเดิมทีบ้านเก่าก็ขายไปแล้วตอนนี้ต้องติดต่อเลยขาที่การหมู่บ้านเพื่อหาบ้านร้างที่ไม่มีคนเอามาซุกหัวนอนทุกครั้งที่ลมแรงฝนตกเขามักจะกังวลที่สุดเสียหวานไม่ว่ายังไงฉันก็เป็นพ่อของเธอนะเธอช่วยเรียกฉันว่าพ่ออีกสักคำได้ไหมคุณไม่คู่ควรคะ่ะน้ําเสียงของหลีหวานเย็นชา คุณทำไม่ดีกับพวกเราฉันกับแม่เกือบจะตายด้วยน้ำมือพวกคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมาหวังให้ฉันเรียกคุณว่าพ่อขอเพียงคุณรีบพาลูกสาวของคุณกลับไปอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตปกติของพวกเราอีกบางทีในใจฉันอาจจะไม่ได้เกลียดแค้นคุณมากไปกว่านี้ตกลงฉันเข้าใจแล้วโจเจียนเยียพยักหน้าพลางถอนหายใจได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันก็เบาใจตอนแรกฉันยังกังวลว่าหลังจากที่แม่ของเธอมีลูกชายสองคนเป็นของตัวเองแล้วเขาจะปฏิบัติกับเธอไม่ดี คุณอย่ามาเสี่ยมให้แตกกันที่นี่หน่อยเลยลิวันมองเจตนาของเขาออกจึงกระชากหน้ากากทันทีแม่กับพ่อเลี้ยงดีกับฉันมาก